ก็เป็นการบำเพ็ญบุญหน้าศพแบบวิปัสสนาโข้าแล้วก็ตั้งศพคือตั้งศพสวดตามประเพณีก็คือตั้งแต่ปุ่งนี้ไปแต่ว่าที่แล้วมานั้นเราตั้งสติตั้งสติสวดด้วยการปฏิบัติ คำว่าสวดที่มาจากคาว่าสู่คาว่าสู่ที่มาจากคาว่าสูดดา่ตะสูตะแปลว่าฟัง <ST> แล้วเราก็แผ่มาเป็นสวด<ม>เป็นสู่แต่ไม่ว่าฟังสู่ตะก็แปลว่าใช้คำสวด้อจะเห็นว่าตามเาลีตามภาษาล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความหมาสม ทำเนือเขาใชว่าอุ้นี้ไปสูดทางพระไปสูดนี่มูลภาพไปสูดไปถอนบ้านเราเนี่ยมูลพระไปสวดไปถอนนี่คือประเพณี น, นะแต่ด้วยการาที่เราได้ทำบุญด้วยการภาวนาเนี่ <c oughs> เป็นการอุทิศบุศุลหาผู้ตายขั้นสูงถ้าผู้ดายนั้นมี อาสวะอยู่ผู้ตายนั้นก็จะไปสู่สุกติสุก ต, <c oughs> ติแต่ผู้ตายนั้นสิ้อาสวะแล้วผู้ตายนั้นก็ไม่ต้องไปสุกติสุกติ <c oughs> ก็หมดภบหมดชาติหมดชาติหมดเชื่อกันไปแต่เราที่ทำก็ได้บุญคือได้ปฏิบัติบุญเกิดจากการปฏิบัติ <c oughs> ทีนี้ ผู้ตายก็ได้บุญผู้อยู่ก็ได้บุญนะแต่ถ้าทําการสวดสุกแบบชาวบ้านบางทีผู้ตายก็ได้บาปคนอยู่ก็ได้บาปเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้วิธีการทํางานสวดงานสวดสุกก็มีการกินเหล้ากินยาเล่นเหล้าเล่นยาเล่นไห่เล่นไโดรกันคนตายก็ต้องได้รับบาปไปด้วยงานโราณกรรม รับเอาอากุศลต่างๆที่คนเป็นเนี่ยทําไปให้แต่พอเรามาภาวนาะอุพิสุบุษณ์คนทําก็ได้บุญคนตายก็ได้บุญไปด้วยมีลักษณะของพุทธศาสนาชนิยชนทําแล้วจะทําอย่างหนึ่งจะได้ไประโยชน์ทั้งสองอย่างขึ้นไปตามลักษณะของสพุทธทําอย่างหนึ่งจะเสียประโยชน์ทั้งสองอย่างผู้ตายก็ไม่ได้ผู้เป็นก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ใช่ชาวพุทธ อั น, นั้นอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ในสางานของพรเทียนเราจะถือปฏิบัติไปมามก็ในแญาติธรรมใครก็ตามที่มาปฏิบัติอย่างใกล้ชิอย่างนี้ถ้าอนุญาตให้พวกเราทำํำเราก็จะมาทําบบนี้แหละมาทําที่วัดธรรมะใครใจก็ตามที่ไ ป, น, ป น, นับปฏิบัติถ้าได้นับใช้พระสัสนะได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเปนแบบอย่าง เก็บก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกเพจะอจะทาให้เพื่อเพื่อประกาศเพื่อประกาศคุณธรรมเพื่อประกาศจะจะทำราว่าคําสอนพูทธเจ้ามีจริงแล้วผู้ปฏิบททัติก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าในขณะแก่ก็ไม่ทุกขณะเจ็บก็ไม่ทุกขณะตายก็ไม่ทุกนั่นไม่ใช่เป็นคําพูดแต่ว่าเป็นของจริงแล้วก็ ได้ประกาศจะจะทำเหล่านี้อไปให้คนได้มาศึกษ า, าเรียนรู้มาปฏิบัติอย่างจริงจังแทนที่เราจะนักถือแต่ละที่ประเพณีในเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมในความเป็นชายพูดของเราแต่ชีวิตยังไม่มีความหมายอะไรเพราะมันไม่ได้เชื่อข้งเราให้พ้นจากความแก่ความเจบความตายให้พ้นจากคกวามกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตาย ถ้าพูดอย่างนี้จะถูกแต่พูดจากคนแก่คนเจ็บคนตายพูดอย่างนี้ก็ฟัยงยากเพราะทุกคนนั้นไม่พูดจากแฟนแก่เจ็บตายแต่ถ้าพูดให้ถูกตามพุทธในพุทธกา ร, รมแล้วก็ให้พูดจากความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายนเอง ถ, ถูกถึงจะเข้าใจกันได้เพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเจริญสติได้เราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแกว่แล้วก็ไม่กลัวตายด้วย แต่เราก็ไม่ประมาทในความแก่ความเจ็บความตายและรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็จะเผชิญความเป็นธรรมดานะั้นด้วยการเตรียมตัวเวลาเจ็บขึ้นมาโอ้เจ็บเป็นธรรมดาแล้วเราก็รู้ว่าความเจ็บ้องอดลองอวยอย่างนี้ก็เหมืไม่ธรรมดานะ่ย เวลาแก่มาก็เรียกว่าไม่มีสติไม่มีสติระยะไม่รักษากายไม่รักษาใจเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแนละ้วถือว่าผิดธรรมดาเราถึงความตายมาถึงเข้าก็เสูคคนนนะ่ความกลัวดิ้นรนควงควายหาวิธนะีที่จะมาให้เจ็บเมื่อความเจ็บเราถึงก็ทนไมาได้ เดือดร้อนลูกหลานยากมิตรอย่างนี้ก็เรียกว่าปี ธ, ธรรมดาเพราะมันมีการเตรียมตัวรู้ว่าความแก่ความเกลียความตายเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทีนี้เราจะริองเตรียมตัวจะทำไงให้ความแก่ความเกลียความตายครอบงํำแต่ด้านร่างกายแต่เมื่อครอบงำจิตใจไว่ได้เี่ยให้มันในไหนมันก็เป็นให้มันเป็นแค่ด้านเดียวยห้มันเป็นทั้งสองด้านถ้าเป็นทั้งสองด้านถ้ามาครบแล้วก็ ยอมจำมือยอมจำมนเหมือนรับโทษยอมจำมืนเขาก็จึมพะบาลก็เอาไปแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าความแก่คนเจ็บคนาตาเป็ น, นธรรมดาก็าให้แต่กายเข้าไปใจไม่ให้ได้ไปเพราะใจลยต้องไปหาที่ใหม่เหมือนจะว่าไฟไม่บ้านไม่ไม่ทั้งบ้านและไม่ทั้งคนอยู่ เหรื อ, อเดือนมันพังก็เรือนทางบ้านพังทังบ้านแล้วก็พังทั้คนอยู่ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าแคบไม่ได้แต่ถ้าไฟไม่บ้านไฟไหม่แต่บ้านแต่คนเจ้าของบ้านไม่ไหม่เจ้าของบ้านออกไปสร้างบ้านใหม่ได้ไปสร้างที่อยู่ใหม่ได้ไหมายความว่าไฟแคบบ้านไม่บ้านเรากิดครั้งกี่ครั้งก็่าน แต่ว่าเราไม่ถูกไฟไหม้มันไม่แต่บ้านในร่างกายเนี่ยมันจะแก่จะเจ็บจะตายทีครั้งอยู่งก็ตามแต่จิตใจของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยอันนี้ถ้าพูดในความหมายนี้เราก็จะเข้าใจว่าอาการพูดจากความแก่ความเจ็บควา ม, าวามตายคือพ้นอย่างไรก็คือเราเกิดเป็นเหมือนบ้านเนี่ยความบ้านนั้นมันเกิดไฟไหม เหมือนความแก่ของมเจ็บคนาตายแต่คนอยู่ไม่ถูกไปไหม่ก็เหมือนว่าเราพ้นจะไฟไหม่คือพ้นจะความแก่ของมเจ็บคนาตายถ้าหากว่าเข้าใจในความหมายนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจในปรัชญาธรรมนี้ด้วยนะทีนี้เราจะพ้นได้อย่างไรที่ความหมายของมันจะพ้นความแก่ของมเจ็บคนตายได้อย่างไรพ้นจากความกลัวความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายได้อย่างไรก็คือเราก็เริ่มมา พัฒนาจิตของเราให้พ้นจกความลัวก่อนพ้นจาความกลั ว, ค ว, ลวความกลัวเล็กๆน้อยๆทั้งปวงเรื่เอาเริ่มงที่จะต้องศึกษาเอาชนะไปเรื่อยๆกลัวอะไรอ้ะนั่งนานกลัวจิตยืนนานกลัวปวดนอนนานกลัวเมือ่อยเดินนานกลัวเยอะคอขัดกลัวเยอะฮึ ไม่ได้กินก็กลัวหิวไม่ได้หาเงินก็กลัวจนถึงแม้แต่งตัวก็กลัวเขาว่าใส่เสื้อพ้าไม่ดีก็กลัวเขามีทานมันความกลัวเล็กเลนน้อยเล่านี้จะต้องเอาคนะไปเรื่อยๆะจะไปวัดไปวาก็กลัวไม่มีอยู่ไม่มีกิน หรือจะทำการทํางานก็ควรเหนื่อยกวรหน่ะความกลัวเหล่านี้มันซ่อนเล่นอยู่ในใจของเรามากมายแต่ว่าเรามักจะนึกไว้ถึงข้อมันกลายเป็นนิสัยกายเป็นสัญชาตญาณของเราไปแล้วความกลัวเพราะนั้นเราจะทำไงทิ้งจะชนะความกลัวที่มันใหญ่ๆกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายความกลัวก็ต้องชนะความกลัวเล็กๆหรือน้อยเหล่านี้ไป ต้องรู้จักความกลัวเล็กๆเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปเช่นเดินเึินปูนแต่งแดดก็กลัวร้อนแล้วก็เวลาฝนตกมาก็กลัวเปียกอันนี้คำว่ากลัวที่ที่มันจะเป็นอันตรายแล้วก็คนกลัวที่มันไม่อันตรายเกินไปเราก็จะต้องไม่กลัวสกิดเหตุหทีระหว่างการ ป้องกันตัวเองให้พ้นอันตรายจากความกลัวตายนี่กลัวเจยบกลัวตายนี่ตามกันยังไงการป้องกันให้พ้นจากคนเด็กให้พ้นจากการเสี่ยงอันตรายนั้นเป็นสิทธิเป็นสิทธที่ถูกทำนะแต่การอ่ากลัวทั้งทั้งทสิ่งนั้นมันไม่ถึงอันตรายไม่เป็นเหตุให้ต้องเสี่ยงอันตรายอันนั้ก็เรียกว่าความกลัวที่มันเป็นกิเลส การที่เราต้องหลบเลี่ยงอันตรายเพราะป้องกันตัวเองอันนี้มันเมื่อเป็นกิเลสอันนี้เป็นธรรมที่เราจะต้องปกป้องรักษาล่างกายนี้ให้ปลอดภัยเป็นธรรมแต่ว่าในขณะที่เราปกป้องรักษาเราก็ไม่ได้มีความกลัวอยู่ในใจเนะอย่างเดินไปเียเราก็เห็นงูเงนี้ เราก็ไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้กลัวแต่เราก็สามารถที่ป้องกันตัวเองได้เพื่อไม่เหยียบที่งนะูแต่ถ้าหากว่าไปเห็นงูยังไม่ทนเหยียบ ง, งูเลยกลัวใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นกิเลสละมันขาดสตนะิหรือบางทีป่วยไม่สบายก็กลัวจะเป็นมากกลัวตายกลัวเจ็บแต่ถ้าหากว่าเรา ป่วยไม่สบายก็ไม่ได้กลัวโยมโยมไม่ต้องไปห่วงเขาโยมทังเท่านี้หน้าที่ของเขาขาดสติแล้วกลัวเขาจะไม่ไอยู่กลัวเขายังไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นอาจะเห็นว่าความกลัวเนี่ยมันจะต้องฝึกฝนนะคือการขาดสติแหละกลัวแล้ว การขาดสติแรกสั้งมันเราด้วยความความกลัวก็เข้ามาแทรกทันทีเพราะฉะนั้นจะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่การมีสติที่ในกรณีที่เราไปเจออันตรายแล้วเนี่ยโดยปัจจุบันทันด่วนเนี่ยยังงโดยปัจจุบันทันด่วนที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะถึงว่าไปเนี่ยไป อะไรเกิดขึ้นทันทีเนี่ยคนที่ไม่มีสติก็จะตกใจสะดุ้งหวาดผวาอิจฉาอะไรเกิดขึ้นทันทีอันตรายเกิดขึ้นแต่คนมีสติเป็นไงก็ท่านสติทันทีไม่กลัวมันมีอยู่คำสองคำเนี่ยเราเคยถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าสองคำมีความหมายต่างกันเขาว่าสะดุ้งกับเดินเสี่ยแต่ท่างเหนือเรียสะดุ้งกับเสด็จ ที่ทางอิสานเี่สดุ้เสะดือมีใช้ไหมยายวัวบ้านเใช่จ้ามันเป็นลักษณะแบบไหนสะดือมีไหมตกใจดือะดืออืมอ่ายว่กใจูแรงเนาะไดถ้ามันถ้ามันสะดือแต่ไม่ตกใจมีไหมสะดุ้งจ้าแต่ไม่ตกใจไม่ตกใจอ้าวสะดุ้งมก็ตกใจแล้วเนี่สะดือที่ ตกใจอย่างรูนแรงแค่สะดุ้งน่ะสะดุ้งก็ตกใจ <c oughs> แต่ตกใจน้อยๆแต่ประเดิ๋ที่ตกใจอยู่รูนแรงือามาได้ฟังคําก็เห็นว่ามันเสด็จเสด็จขึ้นสุดตัวเลยแต่ไม่ได้ตกใจนะแต่มันเสด็จแปลว่ายังไงดีคือเหมือนปกติแจะไอตัวลักษณะเสด็จเนี่ยมันไม่ได้สะดุ้งไม่ได้ตกใจแต่ว่าร่างกาย มันเกิดการป้องกันตัวตัเองโดยสัรชาตยา น, นสมมติเราไปเห็นงูใหญ่พุกเนี่ยแล้วก็โดยบงังเ อ, อิญเราไม่ได้เห็นมันก่อนนะคืออยู่เข้าไปมันโผล่เข้ามเนี่ยการที่เราผงะงายเนี่ยแล้วสเสดด์แต่หัวใจสติมาทันทีใจไม่ตกอย่างนี้มีไหมเคยไหมที่ในความหมายหลวงพ่เทียนะเน่เสดดที่ท่านใช้เป็นแบบนี้ที่สะดุ้งแต่ไม่จะดุง้งอ่ะตกใจแต่เหมือนตกใจแต่ไม่ตกใจ นี่อาการของกันป้องกันตัวเองแบบอแบบแคตตยาแต่ใจไม่เป็นไรฉะ น, นั้เองที่ความกลัวืองกันเวลาเกิดอะขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่สะดุ้งเพราะว่าความแก่ความเ่ยบความตายเนี่ยที่มาถึงเราเนี่ยมันไม่ได้มาถึงแบบปัจจุบันทันด่วนแต่มันมาถึงทีนิดๆนิ ด, นด ความแก่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ไม่ได้หมายถึงคนแก่นะฟังให้ดีคนแก่กับความแก่นี่คนละเรื่องนะความแก่นี่มันมันเกิดมาพร้อมกับเราน่ะเกิดมาเขาแก่แล้วแก่ที่อยู่ในท้องท้องแก่แล้วเมื่อกี่เดือนก็คลอดนะว่ามันแก่ได้เรืยท้องแก่เราแก่มาตั้งแต่ยังไม่เกิดอันนี้ก็าเรียกวความแก่แต่คนแก่นี่หมายถึงว่ามีอาการ เปลี่ยนแปลงทางร่างกายผมหงอกฟันหักนังเกี่ยวร่างกายเจ็บป่วยง่ายอย่างนี้ยเขาเรียกว่าคนแก่แต่ความแก่เนี่ยร่างกายจะดีดีนี่แหละมันก็แก่ถึงเวลาเรานั่งเนี่ยชัมม่วโมงแรกเรานั่งก็ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ที้นั่งแล้วไม่ได้เปลี่ยนมต่ปวดและแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะมันมันปวดแก่แล้วร่างกายมันแก่แล้วที่มันปวดแฉะเนี้ แต่ความแก่ทุกนี้แก้ไขได้แต่คนแก่นี้แก้ไขไม่ได้แต่ความแก่แก้ไขได้เพราปวดแก่ๆเพราะเราเปลี่ยนเพราะความแก่ก็หายไปกลายเป็นความอะไรความไม่แก่ก็สูงขึ้นอ่าเห็นไหมอันนี้ระหว่างสภาวะกับไอที่เป็นลูกกับเป็นนามกันสภาวะที่เป็นนามนี่หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้ทันทีแต่สภาวะที่เป็นรูปเนี้ย มันเป็นยังไงก็เป็นแล้วก็เป็นเลยฉะนั้นะนะตัวสภาวะความแก่จะคนแก่ก็ต่างกันระหว่างความตายความเจ็บแต่คนเจ็บต่างกันด้วยคนเจ็บหมาความมีอาการทั้งรูปแล้วก็มีความเจ็บไปด้วยนี่เขาเรียกว่ามันเจ็บทั้งสองทาง กายด้ยความเจ็บมาที่สภาวะที่เป็นนามคนแก่มืเพราะที่เป็นลูกความแก่เพราะว่าที่เป็นนามดังนั้นเราอาจจะไม่เราอาจจะเจ็บกายมันเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเรีย ว, ว่าความเจ็บไม่มีไม่มีความเจ็บที่ใจ ใ, ใจไม่เข้าไปยึดแต่ความเจ็บของกายเพราะนั้นเราก็ชนะความเจ็บได้ แต่ชนะคนเจ็บไม่ได้ตายแล้วอเจ็บเหมือนเดิมเลยเชนะไม่ได้แต่ความเจ็บเอาชนะได้คือไม่ให้ใจมันไปเจ็บด้วยเรื่วความเจ็บเป็นภาวะเรื่อ ง, องคนตายแต่ความตายนี่ก็ต่างกันคนยังไงเขาว่าตายสมบูรณสภาพขันทั้งสี่ห้าทั้งสี่ขายทั้งห้าแตกดับนั่นคือคือคนตายแต่ความตายเนี่ย ความตายหมายถึงว่าตัวภาวะความเจ็บนั้นมันก็หายไปความไม่มีความเจ็บมันก็ปรากฏอย่างคนตายเนี่ยมันมันจะเจ็บปวดอีกอไม่ร่างกายไม่เจ็บปวดวะนะรงนี้ฟังให้ดีนะคนตายความเจ็บปวดยังเหลืออยู่ไหม ไม่เหลอยู่ความไม่เจ็บปวดประสนะ<อ>ตาฟังแล้วจะเข้าใจแล้วพึ <c oughs> ่งความ <c oughs> ตรงนี้คือคนตายความเจ็บปวดหายไปคนตายนี่ไม่มีความเจ็บปวดใช่ไหมแม่พอนตายแล้ว จ, จะไปเจ็บปวดได้ไนงะเออนั่นดี <c oughs> แต่บอกว่าคนตายนี่ไม่เจ็บปวดเลยเนะี่ย ถูงไหมคนตายไม่มีการเจ็บปวดแลยนะตายแล้วแลความรื้อฟังดนี้ให้ดีคนตายไม่มีทั้งความเจ็บปวดและไม่มีทั้งความไม่เจ็บไม่ปวดความไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่มีความเจ็บปวดก็ไม่มีอคฟังให้ดีเนี่ยคนตายไม่เจ็บปวดแต่ความไม่เจ็บปวดก็ไม่มีด้วย ควาเจ็บปวดก็มี er ความไม่เจ็บปวดก็ไม่มีเพราะไม่มีเวทนาที่มีเสอยใช่ไหมความเจ็บปวดเป็นเรื่องของเวทนาใช่ไหมพวามไม่เจ็บปวดก็เป็นเรื่องของเวทนาเพราะคนตายไม่มีเวทนามีความรู้สิกายเราคนตายไม่เจ็บปวดบอกว่าไม่เจ็บคนตายไม่เจ็บปวดก็ถูกคนตายไม่รู้สึกที่ไม่เจ็บไม่ปวดก็ถูกเพราะไม่มีสุขเวทนาทุกเวทนาทุกความสุขาก็ไม่มีนะ ทีนี้คนเป็นเนี่ยคนเป็นเนี่ยถ้าสมมติเรานั่งไปญญานานๆเราเจ็บปวดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติอเอาเราเปลี่ยนไปความไม่เจ็บปวดปรากฏคือความเจ็บปวดมันตายไปความไม่เจ็บปวดทวดขึด้นถ้าเราพอใจในความไม่เจ็บปวดอันนี้เรียกว่าเรายัางมีเวทนาทางกิตแล้วพอใจในเวทนาตนัวนี้แต่ว่าเมื่อเปลี่ยนไปแล้วความไม่เจ็บปวดก็ปรากฏ แต่เราก็เป็นปยินดีพอใจกัความไม่เจ็บปวดอ น, นั้นเรียกว่าเราไม่มีทั้งความเจ็บปวดและไม่มีทั้งความไม่เจ็บไม่ปวด <c oughs> พูดง่ายฟังยากมไหมนี่เขาเรียกว่าตัวอุปขา ด, ด, ด, ด, ด้วนตัวดูนั่นแหละมันไม่มีความเจ็บปวดและก็ไม่มีความไม่เจ็บไม่ปวดด้วยเพระมันเป็นภาวะผู้ดูตรงนี้เขาเรียกว่าตัวภาวะที่เป็นปรมาตยู่เนือทั้งความสุขและอยูเนือทั้งความทุกข์ อยู่เหนือทังความไม่สุขไม่ทุกข์นี่ถ้าหากเรายังสุขยังทุกอยู่หรือยังยินดีพอใจในสุขในทุกอยู่แล้วก็ยังมีตัวเวทนาเสวยอยู่นดังนั้นเองเราก็ต้องศึกษาในส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นมาติการ์มาติกาหรือว่าบทเป็นมาติการ์บทบาทานในต่วเนี้ยเปิดกฎเป็นการิกา ที่จะต้องวางเป็นรากฐานเอาไว้เพื่อชวยนะั่นน่ะนั้ก็ต้องศึกษาเอาไว้ให้เข้าใจตั้งแต่เรายังไม่ตายนะยัาไม่ตายและก็เราจะไม่ตายจากตัวปรมามัดด้วยแต่เราตายจาการูปแต่ไม่ได้ตายตายจากนามถ้าสมมุติว่าเอาละคนเราในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ถือว่า การแตกของขันเนี่ยคือการตายแต่ถือว่าเป็นการแปลสภาพธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินเหมือนเดิมธาตุน้ําก็กลับไปสู่ไอ้น้ําก็กลายเป็นอายด้ิมเดิมธาตุลมก็เป็นอากาศไปธาตุไฟธาตุนี้ก็เข้าไปกับธาตุดิมของเขาเขาเรียกการสลายธาตุดิมและการสลายธาตุสีกลับไปสู่ธาตุดิมก็มาหายไปไหนนะไม่ได้ตายไปไหนก็กลายเป็นพลัง สมมติว่าเอาะแล้ว เ, เผาตรงนี้แล้วก็มีน้ำเกิดขึ้นทึ้งที่ดินแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกดูเนี่ยท่าสีของคนที่ถูกเผาก็กลายเป็นต้นไม้ตัวนั้นแหละอลายเนต้นไม้ต้นนั้นถ่าสีดินแอ่งดไฟเขาถามเขามีมีกิตวิญาณไหมก็เป็นกิติยาณของต้นไม้เนี่ยแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่กิตวิยญาณของผู้ตายก็ได้ จะจกตวิ ญ, ญญาณของผู้ใาก็จะ เ, เกิดกันอีกตามกรรมของเขาตัวหมายของมันมีกรรมดั ง, งนั้นการในพุทธศาสนาไม่ถือว่าการแตะกายทำลายขาเนี่ยเป็นการถึงชิ้นแต่เป็นการถ้าศีรษะเป็นศีรษะเดิมศีร้ะดวงไฟนี่ตัววิ ญ, ญญาณธาตุก็ไปตามลักษณะของกรกรมแล้ะกรรมที่จสูงไปแล้วถัดธรรมะคดิ เวลาคนเราจะการก็เริ่มมีกรรมคติปรากฏจะไม่ว่าเราได้ทาอะไรดีอะไรชั่วมาตลอดชีวิตอะ่ะอันนั้นก็จะมาปรากฏเป็นเส้นทางเราต่อไปเอาละถ้สมมติว่าเราสิ้นกิเลสอาสวาะอะไรกรรมคติมีไหมก็ไม่มีก็ไม่ปมาไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะเรืองอนาจของตัวปรมัตธรรมสามารถตัดกรรมให้ขาดสะบั้นลงได้กํานั้นเข้าไม่ถึงจํามดีกรรมชั่วที่เราเคยทํามาก็ ก็มาถึงดวนันเฟิร์สสรุกหยุดลงจึงเข้าไปสนองไปนำทางยินแาณจะเกิดไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีเชื้อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นขนนวลใช่หมันไฟเนี่ยมันไม่เข้ามามันมีเชือ้อแต่พอมาถึงใกล้บ้านมันจะไม่ไหม้เพราะอะไพราะมีเหกววาดทำเป็นแนวกันไฟใช่ไหยไฟข้ามมาไม่ได้ มันมีแนวกันอยู่มันว่างมันว่างจากเชื้อจิวิญญาณของเราเหมือนกันถ้ามันหมดกิเลสก็หมายความว่ามันไม่มีเชื้อที่จะให้วิบากต่างๆที่เหมือนไฟไหม้เข้ามามันมันไม่ข้ามมาไม่ได้เพราะมันไม่เชื้อในทำแนวตันัฟก็ไม่มาถึงตรง้ก็ดับกาหลายต่างๆนี่มันมามันมาถึงจุดจุดมกระทบจิตที่ว่างว่างจากจิตเนี่ย ก็จบวันนี้จะไปให้อดุงบอกพระว่ า, วาระหว่างจิตว่างแต่ว่างแต่จิตเนี่ยอันเดียวกันหรือคนละอันท่านก็งงๆองค์นีอ้อรุณกระทำกันว่าแก้วนี้ว่างแก้วว่างจากน้ําเลือกแก้วว่างแก้วถ้ามีน้ําอยู่เลือกแก้วน้ําถ้าไม่มีน้ําก็เรียกว่าแก้วว่างเลือกแก้วว่าง แต่เขาว่าว่างจากแก้วเนี่ยจากแก้วว่างต่างกันไ้มพระก็ยังหาคำตอบยัไม่ได้เลยแก้วว่างไมพเข้าใจแก้วพอเข้าใจแก้วน้าพอเข้าใจแก้วว่างก็พอเข้าใจหมด แ, แต่ว่างจากแก้วยังไม่เข้าใจเพื่อจะบอกว่าสติเนี่ยมันว่างจากจิตถ้ามีสติไม่มีจิตแต่เมื่อไรถ้าว่าจิต ก็มันมาทีมีอารมณ์ดีอารมณชื่วอ iste, าถูอารมผิดแต่จิตว่างมันไม่มีมันมีแต่แก้วแต่ไม่มีน้ําถ้าแก้วน้ําแล้วก็มีจีตด้วยมีความคิดด้วย ม, มีแก้วด้วยมีน้ําด้วยถ้าจิตว่างสมัยก่อนมีแต่แก้วไม่มีน้ําถ้าว่างจากแก้วก็เลยแก้วว่างแก้วน้ําแต่ที่นี่ว่างจากแก้วอนะเป็นงแก้วน้ํา พอนึกภาพออกแก้วเฉยๆก็นึกภาพน้ำเฉยๆก็นึกภาพออกที่มันว่างจากแก้วว่างจากน้ำํำมาถึงไงก็มันไม่มีแก้วมัน ม, มีแคก้ว <laughs> แลน้ำนั <laughs> ่นเองจิตว่างว่างจากจิตก็ค <laughs> ือไม่มีจิตดังนั้นความรู้สึกตัวนี้มีจิตไหม เขรู้สึกตัวที่เําทำมันมีจิตอยู่ไหมถ้าเราไปคิดไปตั้งใจมันก็มีจิตใช่ไหมแต่ถ้าเราทำให้มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีจิตว่า ง, จ, งจากจิตเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าปรามาจิตโดนกระทบจิ้นอ่าื่อโดนกระทบก็จิตไม่เขว่าไม่ไม่ไม่เกิดไม่นึกกระเฉยๆก็ไปจบแนั้นแต่ถ้าหากว่าสติไม่เข้มแข็งปราจิตไม่แข้แข็งพ อ, ขขของรกปรกป๊บิตมาคิดป๊บอะไร จริไหมก็ขี้ขึ้นมาเอะอะไรแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นจะกีมัน